ตัวอย่างหลักปฏิบัติที่มุ่งเพื่อเชิดชูดธรรมะความดีงามและประโยชน์สุขของสังฆะและสังคมข้อที่สทํทำไมจึงยกย่องสังฆทานว่ามีผลมากที่สุดเรื่องที่พูดมานี้ยงไปถึงคติเกี่ยวกับสังฆทานซึ่งเป็นธรรมะสำคัญอีกข้อหนึ่งทานคือการให้ ในทางพุทธศาสนาแบ่งเป็นสองอย่างคือให้แก่บุคคลหรือให้เจาะจงเฉพาะตัวผู้นั้นผู้นี้เรียกว่าปาติบุคลิกทานและให้แก่สงหรือให้มุ่งเพื่อส่วนรวมเรียกว่าสังฆทานคำสอนในเรื่องนี้มีว่าสำหรับการให้แก่บุคคลการให้แก่คนชั่วหรือคนมีคุณความดีน้อย มีผลน้อยการให้แก่คนมีคุณความดีมากมีผลมากแต่การให้แก่ส่วนรวมหรือสงฆ์มีผลมากกว่าการให้แก่บุคคลไม่ว่ากรณีใดๆพระพุทธเจ้าทรงแยกประเภทปาฏิปุขลิกทานหรือการให้แก่บุคคลออกไปเช่นให้แก่พระพุทธเจ้าให้แก่พระประเจกพุทธเจ้า ให้แก่พระอาหารหันตสาวกตลอดลงไปจนถึงให้แก่ปุตุชนมีศีลปุตุชนทุศีลและให้แก่สัตดิรฉานทรงเปรียบเทียบว่าให้แก่สัตดิรฉานมีคุณความดีเป็นร้อยให้แก่ปุตุชนทุศีลมีคุณความดีเป็นพันให้แก่ปุตุชนมีศีลมีคุณเป็นแสนให้แก่นักบวชภายนอกที่ไม่มีราคา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 ถัดจากนั้นก็อาจถวายแก่สงสองฝ่ายในเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วตลอดลงมาจนถึงถวายโดยให้จัดภิกษุหรือภิกษุณีจำนวนเท่านั้นเท่านี้จากสงมารับคือเป็นตัวแทนสงโดยไม่เจาะจงว่าองค์นั้นองค์นี้หรือแม้แต่เมื่อการเวลาล่วงไปนานธรรมวินัยจนจะสิ้นจะถวายแกพวกพระทุศสิเหลือแต่ผ้าเหลืองห้อยคอ แต่ถวายในนามของสงฆ์ก็ยังมีผลมากมายพระพุทธเจ้าทรงสรุปว่าเราไม่กล่าวว่าปาติปุคลิกทานคือการให้แก่บุคคลมีผลมากกว่าของที่ให้แกส่สงฆ์โดยปริยายใดยๆเลยพระพุทธเจ้าเคยทรงสนทนากับข้าริหาพดีคนหนึ่งในเรื่องนี้ ตรัสถามว่านี่น่ะท่านขฤหาพดีทานในตระกูลท่านยังให้อยู่หรือทุนตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ยังให้อยู่และฐานนั้นข้าพระองค์ถวายนพระภิกษุผู้ถืออยู่ป่าถือบิณฑบาตถือครองผ้าบางสุกุลซึ่งเป็นพระอรหันต์หรือบรรลุอรหัตตมักพระพุทธเจ้าได้ตรัสแนะนาว่า ่านคฤหาบดีเป็นคฤรืหัสอยู่ครองเรือนยุ่งอยู่กับครอบครัวยากที่จะรู้ได้ว่าพระองค์ไหนเป็นพระอรหันต์หรือบรรลุอรหัตมรรมพระองค์ตรัสว่าไม่ว่าพระอยู่ป่าหรือพระอยู่ถินบ้านไม่ว่าพระถือบิณฑบาตหรือพระรับนิมนต์ไม่ว่าพระถือห่มผ้าบางสุกุลหรือพระห่มจีวรที่ขหัดถวายถ้าเป็นผู้ฟุ้งซ่านถือตัวเห่อเ ห, เหิมปากกล้าพูดเละ สติเฟือนไม่มีสัมปัชัญญะใจไม่ตั้งมั่นจิตพลาดไม่สํารวมอินทรีย์ก็น่าตีเตียนทั้งนั้นทําไม่ฟุงซ่านไม่ถือตัวไม่เห่อเหิมไม่ปากกล้าไม่พูดเละมีสติมั่นมีสัมปัชัญญาใจตั้งมั่นจิตแน่วแน่สํารวมอินทรีย์ก็น่าสรรเสริญทั้งนั้นสุดท้ายตรัสเชิญชวนคาริฮดี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 อย่างน้อยที่สุดในขั้นต้นจะต้องทำให้คนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับตนหรือคนที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องมีจิตใจปลอ ด, ปลอดโปร่งเบิกบานพ่องใสด้วยข้อปฏิบัติทางวินัยขั้นต่อไปถ้าสามารถยิ่งกว่านั้นก็พึงทำให้เขาเจริญงอกงามขึ้นโดยศรัทธาศีลสุสตะจาคะคและปัญญาด้วยการแนะนำสั่งสอนรม พูดอีกอย่างหนึ่งว่าพระภิกษุมีหน้าที่เพื่อชาวบ้านอยู่สองด้านหน้าที่ทางวินัยได้แก่ทำจิตใจของประชาชนให้ผ่องใสด้วยศีลวัดและหน้าที่ทางธรรมะได้แก่นำเอาความจริงความดีงามไปเผยแพร่ให้เขาเจริญยิ่งขึ้นไปส่วนขฤารืหัสคือชาวบ้านเมื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับพระภิกษุพึงมุ่งเพื่อประโยชน์ทางจิตใจ ที่จะได้รับสิ่งซึ่งทำให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปในธรรมและเมื่อจะอุปธรรมบำรุงพระภิกษุพึงคำนึงถึงประโยชน์ที่สงฆ์จะได้รับแม้ในกรณีที่เป็นปาฏิบุคลิกเมื่อจะเลือกเกี่ยวข้องหรือบำรุงภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็พึงทาด้วยประสงค์ที่จะให้สงฆ์ดำรงอยู่ยั่งยืนเพื่อประโยชน์สุขแก่ชนจานวนมากตลอดการยาวนาน